พื้นเพของจิตใจทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเป็นสิ่งที่สุกผ ล, ลกรดลุมลังด้วยเชื้อแห่งวัตจักรวัตมุลหากนาเนวข้อมูลของวัตจักรวัตวลุลมีอยู่ในจิตใจของสัตว์และบุคคลแห่งเดียวเท่านั้น ไม่มีในที่อื่นใดอากาศกว้างแสนกว้างอาวกาศกว้างไม่มีประมาณแผ่นดินน้าขนาดไหนแม่น้ามหาสมุทรลึกเพียงไรสิ่งเหล่านี้ไม่ไประกอบความรกรุงรังใส่ในสถานที่ดังกล่าวนี้เลยแม่นี้เดียวเพราะไม่เหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่เหมาะสมกันก็คือใจเพราะฉะนั้นสัตว์โลกหรือมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราคาดการเกิดการตายตายเกิดตายสูงคาดเท่าไรจึงไม่มีความถูกต้องหาความถูกต้องไม่ได้จะคาดไปตั้งกับตั้งกันก็ เช่นเดียวเรากับเราหารอยเท้าของสัตว์บนอากาศนั่นแหละเพราะไม่มีสัตว์ตัวใดจะประเยียบเป็นร่องรอยไว้ตามอากาศนอกจากตามพื้นที่ที่สัตว์ควรเดินได้เท่านั้นจึงจะเห็นร่องรอยการคาดของจิตในเรื่องการเกิดการตาย ตอดบาปบุญคุณโทษทั้งหลายเราจะไปคาดเกี่ยวกับสิ่งหยาบๆอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้จิตเท่านั้นที่เป็นพื้นฐานอันเหมาะสมกับสิ่งลบรุงรังทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับทมเครื่องชะล้างสิ่ง ก็ตกรกรุมลังทั้งหลายเหล่านี้ให้สะอาดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสะอาดเต็มที่ด้วยมีจิตทั้งนั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการพิสูจน์จึงต้องพิสูจน์ที่นี้เหตุที่เกิดขึ้นก็มีสาเหตุทันหนึ่งที่จะทําให้เหตุดีชั่วเกิดขึ้นภายในจิตใจ สาเหตุอันนั้นก็คือเชื้อเดิมแล้วมาผิดเป็นอันดับที่สองที่สามให้คิดให้ปรุงให้แต่อันเป็นเรื่องของสิ่งลบกลุ่มลังด้วยกันติดต่อขนแขนงออกไปไม่มีประมาณแล้วผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่เหตุอันเป็นที่ผิดอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็น ที่ผิดและเป็นที่รวมของสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายตามปกติของสามัญชนเราจะไม่มีทางรู้ได้และไม่มีช่องทางที่จะพูดได้ด้วยว่าจิตนี้สกรปรกรบกรุมดังกับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นั้นแล้วสิ่งที่กล่าวนั้น พาทาให้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่มีช่องทางที่จะรู้ได้เพราะไม่มีเครื่องสองไม่มีเครื่องทดสอบนอกจากทำเท่านั้นเป็นเครื่องทดสอบโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจะพ่ออย่างยิ่งองค์ปัจจุบันของเรา ทีโลกทั้งหลายถือว่าสดสดร้อนร้อนเพราะต้องยึดการสถานที่ตามวิสัยของโลกซึ่งผิด ก, กันกับธรรมในหลักธรรมชาติอันเป็นความจริงอยู่มากหลักธรรมอันเป็นความจริงนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่คำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นก็แยกออกมาพูดตามสมมติเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้ คือองค์ศาสดา ห, หรือองค์พระพุทธเจ้าแท้นั้นพูดไม่ถูกแต่ผู้ปฏิบัติกรรมจัดกิเลสอันเป็นริ่งสกปกหรือมือดมิดภายในใ จ, ใจิตใจให้กระจายตัวออกไปแล้วธรรมชาตินี้สามารถรู้ได้เองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้จะแต่ละพระองค์จะปริพานนานไปจากเท่าไหร่ก็ต่าง คำว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่เห็นตถาคตหมดทุกองค์ไม่ต้องพูดเพียงตถาคตเพียงองค์เดียวคือศาสดาของเหล่านี้เลยเพราะตะถาคตทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันด้วยความบริสุทธิ์ด้วยหลักธรรมชาติอันนี้หลักธรรมชาติอันนี้เราจะมาพูดว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็กลายเป็นโลกไปเสียว่าสูญสิ้นไปก็ไม่ใช่ฐานะของธรรมชาติอันนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นเช่นนั้นย่อมมาอยู่ในสมมุติว่าศูนย์ไปหรือมีอยู่แต่อยู่ตรงกลางน่นตรงที่สมมุติไม่อยู่นั่นแหละหรือสมมุติไม่อาจเอื้อมสมมติอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือองศาสนธาทั้งหลายอยู่ตรงนั้นผู้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็หมดจด ดูตรงนั้นดูที่ตรงนั้นด้วยเหตุนี้การพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายแบบสามัญทั่วไปนี้พิสูจน์จนกระทั่งวันตายกี่กับกี่กันก็เหมือนกับเที่ยวดูรอยเท้าของสัตว์บนอากาศนั่นแหละหาความหมายไม่ได้เสียเว ล, เวลาปเปล่าๆด้วยเหตุนี้งานที่จะ ให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่กล่าวมานี้จึงเป็นงานอันใดโตและโหฐานยากลำบากหรือหนักยิ่งกว่างานอื่นใดบรรดาที่โลกทั้งหลายเคยดำเนินกันมาดังพระพุทธเจ้าการทรงเสาะแสวงหรือการทรงบำเพ็ญภ่าบารมีมาเท่านั้นเท่านี้นั่นเป็น ปริยายถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นนั้นส่วนรากเง่าเข้ามูลของต้นไม้ที่จะยังต้นให้มีความเจริญเติบโตขึ้นนั้นได้แก่จิตตภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากคือเกี่ยวโยงกันออกไป การให้ทานการรักษาศีลออกไปจากอวัยวะของต้นไม้ต้นเดียวนี่เขาออกจากอีกดวงเดียว <c oughs> เมื่อสรุปลงมาที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างแท้จริงในหลักธรรมชาติที่กล่าวว่าตถาคตทั้งหลายนั้นคืออะไรอยู่สถานที่ใดนั้นต้องรวมลงในยิตตภวนานี่แหละที่นิกเข้าใน จุดที่ว่ า, าศาสนาธรรมซึ่งเป็นเครื่องจะซากฟอกสิ่งสกปรกรบคุมิลังทั้งหลายภายใน จ, ใจิตใจนี้ออกด้วยวิริยธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นกาจัดกันเข้าไปที่ตรงนี้เมื่อธรรมมีมากน้อยได้ซองเข้าไปถึงใจ หรือเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจเข้าไปโดยลําดับสิ่งทั้งหลายที่เป็นของสโปรกหรือมือดมิดปิดหวัวใจมาเป็นเวลานานหรือหนาแน่นเพียงไรก็จะค่อยจางออกไปโดยลําดับลำดับเพราะอํานาจแห่งทำที่แทรกเข้าไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอํานาจแห่งความเพียรเป็นสําคัญ งานกิจตะภาวนายึงเป็นงานสำคัญมากเพราะเป็นงานที่จะให้ถึงจุดสุดยอดแห่งความจริงทั้งหลายทั่วโลกดินแดนในใยโลกธาตุนี้จะมารวมตัวอยู่ภายในจิตนี้ทั้งนั้นผู้ไปเกิดในโลกธาตุพบไหนต่อพบไหนในสามภพนี้มีกี่กำเนิดนับไม่ถ้วนก็คือจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติ กำจัดลงไปโดยลำดับลำดับพาในจิตใจนี้จึงรวมตัวเข้าไปสู่จิตตรงนี้ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งทั้งหลาย <c oughs> อย่างเปิดเผยกับตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกงานนี้จึงเป็นงาน ใ, นใหญ่โตมากพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญดังที่เคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้ว สลเป็นสละตายถวายทรงถวายชีวิตเพื่อความเป็นศาสดาของโลกศาสดาของพระองค์แล้วก็กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาถ้าจะเทียบถึงโลกกระถางก็เหมือนกับโลกกระถางหวั่นไหวเพราะไม่มีใครทำได้ดังพระองค์แต่พระองค์ทรงทาได้งานที่พระองค์ทรงทาคืองานเช่นไร งานที่จะรื้อพบรื้อชาติรื้อวัตะ ส, ส, สงสารวัตะจักวัตตะวนออกจากพระไถยนั้นเป็นงานหนักขนาดไหนเราทราบแล้วแต่พระองค์ทรงเจริญอนาปา น, นสติเอาอย่างจริงจังเป็นตายไม่ว่าขอให้รู้แจ้งแทงทะลุเป็นที่พอพระไถยผลสุดท้ายก็สำเร็จดัง เราถ่ยหมายไว้เป็นศาสดาของพระองม์อย่างเต็มภูมิแล้วก็เป็นศาสดาของโลกลเรื่อยมาจากพระโอาวาทคำต่องสอนของพระพุทธเจ้าจนมาถึงปัจจุบันนี้คือพวกเราทั้งหลายได้เทิดทูนหรือปฏิบัติพอมองเห็นเหตุเห็นผล mm hmm. เหมือนแสงหิ้ห้อยก็อย่างดีทีนี้สรุปเข้ามาถึงงานที่พระองค์ประทานให้ แกนักบวชคือพวกอย่างพวกเราเป็นต้นคืออะไรงานเหล่านี้บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทรงดำเนินและได้ดำเนินมาแล้วอย่างไรท่านจึงตักตวงเอมมักผลนิพพานผ่านพ้นโลกวัฏจักรนี้ไปได้ นับจำนวนไม่ไม่น้อยเฉพาะสาวกของพระพุทธเจ้าของเราเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็มีจํานวนมากเกินกว่าที่เราจะนับอยู่แล้วท่านเหล่านี้คือท่านผู้ตักตวงอมัจพลิภานเต็มแม็เต็ ม, ตมหน่วยจนได้พ้นจากโลกวัฏฏวนนี้ไปได้กลายเป็นนิวัตตะจัก วิวัตตะวิวัตะจิไม่หมุงแล้วงานของท่านชื่องานเช่นไรนี่แหละที่ว่างานใหญ่โตของนักบวชเราเราจะเห็นเราอย่าสำคัญว่างานอื่นใดเป็นงานของพระเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนัง งานอันแท้จริงที่จะเห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งแทงทะลุเป็นที่พออกพอใจไปโดยลําดับนอกจากงานจิตตภาวนาคําว่าจิตตภาวนา น, นี้ก็เรียกว่าทํางานแต่งานที่จิตตภาวนาธรรมนั้นคืองานเช่นไรเบื้องตน้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนรับประทานมาจงกระชั่งทุวันนี้ให้อุปชายยะได้ อบรมสั่งสอนสัตยมุหายิทผู้บวชในสำนักของตนโดยย่นย่อแล้วก่อนให้พอเหมาะสมกับการเวลาเช่นนั้นซึ่งมีน้อยว่าเกสารมานาขาทันตาตะจูเพียงเท่านั้นก่อนจากนั้นก็แจงไปถึงเรื่องอาการสามพิษสองตลอดตัวถึงทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟ ไอ้ที่คลายขุดค้นดูสิ่งอันเป็นที่ซุ่มซ่อนของวัตตะจิตของวัตตะจักรได้แก่กิเลสมันแทรกสิงอยู่ทุกขุมขนแทรกสิงอยู่ทุกอวัยวะไม่ว่าส่วนหยาบส่วนละเอียดแทรกสิงอยู่ในธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ที่เรียกว่ากองรูปตั้งแต่ผมขนเลฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกมา้าหมักหัวใจตับทางผื่นไตปอดใส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่แทรกไปหมดกิเลสยึดครองว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นส่วนอันใดสะอาดอันใดโสะะโปรกกิเลสไม่สนใจไม่หมุนพวงมาลายของกิตเข้าไปสู่จุดนั้นเพราะจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนคือกิเลสเองเชือเอง ถึงเมาเอาหมดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ส่วนยากกิเลสก็จับจองเอาไว้หมดส่วนละเอียดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนาก็จับจองเอาหมดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยๆอะไรร่วกไปหมดสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นี่ส่วนละเอียด กิเลสแทกไว้หมดกรรมเอานาดไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหาเราที่ไหนมีเราอย่างแท้จริงเราแบบอิสระมีที่ไหนมีแต่เราของกิเลสทั้งนั้นเวลาจะปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายกิเลสถือเอาเรานี้เป็นตัวประกันอยู่ข้างหน้าเสียเมื่อเราจะจอก อาวุธาจตราวุธเข้าไปสู่ตัวกิเลสก็ไปเจอแต่เราเสียคือกิเลสมันเอาขันตั้งห้างามบาบังหน้าไว้เสียวันนี้คือเรานี่คือของเราถ้าจะชำระสาสางตรงไหนก็กลัวเราจะกระทบกระทือนกลัวเราจะลำบากมีเรียกว่ากิเลสมันเอาเราสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกันไม่ให ทำลายมันได้มันอยู่ฉากหลงังเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มฐานมีวิธีการมีหลักวิชาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องรบราฆ่าฟันเป็นเครื่องต่อสู้กันนังพระพุทธเจ้าทรงดําเนินและสั่งสอนไว้แล้ว จึงให้แยกให้กระจายสิ่งเหล่านี้ออกตามที่กิเลสมันเที่ยวจับจองเอาไว้เป็นผมก็ของเราผนของเราเล็บเราผ่านหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราใช้สติปัญญาในเบื้องต้นท้ายคําบริกรรมจะบริกรรมอะไรก็ตามเพื่อจิตจะได้มีความสงบยับยั้งตัวได้ไม่แสบสายเพราะเป็นเรื่องของ ความไม่แน่ใจเรรวนกระสับกระส่ายจึงต้องทำจิตให้สงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วใจก็แน่วแน่แล้วพิจารณาแยกแยะดูสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวนนี้นับตัง้งตีผิวหนังเข้าไปแยกแยะนี่เรียกว่างานของพระ พิจารณาให้เห็นทั้งภายนอกว่าที่ว่าเราว่าของเรานั้นอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเรานี่คือความจริงจะเข้าไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเป็นต้นแยกแยะดูตามความเป็นจริงความเป็นจริงนี้คือธรรมของจริงนี่เรียกว่าธรรม จะเข้าไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่กิเลสมันยึดมันครองอยู่นั้นให้เห็นตามหลักความจริงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางนี่แหละคำว่าปล่อยวางก็หมายถึงว่าทำลายความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอันเป็นเรื่องของกิเลสปักเสียบเอาไว้ถอนตัวออกมาด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงโดยลาดับลำดางานเหล่านี้จึงไม่ใช่งานเล็กน้อย ผู้ปฏิบัติจึงต้องทำหน้าที่นี้อยู่ทุกเวลาไม่มีอิริยาบถยืนก็ต้องทำงานหรือการพินิจพิจารณาตามขั้นภูมิของจิตถ้าจิตยังไม่สงบก็ทำจิตให้สงบด้วยคำบริกรรมบุตรใดก็ตามในเอียบบทต่างๆไม่ลดละท้อถอยนี่คืองานแท้ของเราผู้มีความสงบที่ใช้ปัญญา ควรใช้ปัญญาตามขั้นของปัญญาขั้นใดก็เรียกว่าทำงานอยู่ตามขั้นนั้นๆปัญญาของตนแยกแยกคลี่คลายดูใหเห็นความหนาแน่นซึ่งตามธรรมหลักธรรมชาติแล้วตามความจริงแล้วมันไม่ได้หนาแน่นอะไรร่างกายเห็นความแตกความพังทลายของมันอยู่ทุกระยะระยะความเปลี่ยนแปลงของมันแต่กิเลกมันไม่ยอมให้เห็น มันปากเสียบลึกลงถึงขั้นนิดจังขั้นสุขสุขขังแม้จะทุกข์เต็มตัวมันก็ว่าสุขขังอนัตตาเต็มตัวมันก็ปักเสียบลงไปว่าเป็นอั ต, ตาเป็นเราทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สิ่งจอมปลอมที่แทรกสิงอยู่นี้สิ่งที่แทรกสิงอยู่นี้แหละคือภัยของจิตไม่ใช่สิ่งอื่นใดเป็นภัยของจิตเราจะไปมองดินฟ้าอากาศ ที่ไหนๆว่าเป็นภัยของกิตคือสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเป็นภัยของกิตผู้ปฏิบัติจริงต้องคุ้ยเขีย่ยวปุดค้นลงไปตามสิ่งที่เป็นภัยมันแทรกซึมอยู่ที่ตรงไหนมันยึดตรงไหนเป็นทุกตรงนั้นเป็นเป็นทุกกันเป็นผลของกิเลสความยึดความสัมพันธ์มั่นหมายในทางให้ยึดให้ถือให้รักชอบเกลียดเกลีดต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ภายในตัวนี้และเต็มอยู่ภายในจิตใจของเรา จึงต้องอาศัยการคลี่คลายพินิจพิจารณาอยู่ไม่ลดละท้อถอยจนกระทั่งรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงในส่วนใดเช่นรูปประขันความจำปรอมของกิเลส ท, ที่ยึดครองเอาไว้นั้นก็สลายตัวไปจากนั้นเหลือแต่ความจริงรูปประคันก็ทราบว่ารูปประขัน ตามหลักความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นความหนักน่วงทวงจิตใจที่เคยเป็นมาก็ถอนตัวออกมาได้ขั้นเป็นขั้นขั้นีน่ะงานของผู้จะหรือพบรื้อชาติรือวัตะสงสารซึ่งเต็มอยู่ภาณใจิตใจนี้ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดต้องรื้อแบบนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประเภทหนึ่งของความจปมปลอย ทำลายแล้วกำแพงอันหนาแน่นอันนี้ออกไปเหลือแต่สมบัติของกิเลสประเภทหนึ่งอีกแต่และอย่างละอย่างที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับที่มันปักเสียบไว้อย่างลึกๆจมอยู่ภายในจิตได้แก่พวกสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณนี่ว่าเราเราทั้งนั้นแยกแยะเห็นตามความกิ่งของมัน มีแต่ความเกิดความดับทุกข์ก็เป็นเพียงทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งเท่า น, นั้นสุกเกิดมาก็สักว่าเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วก็ดับไปดับไปขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอะไรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ในหนักของอนิจจังทุกขธาตุทั้งสิน้นยึดเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาได้อย่างไรหาที่ไว้ใจได้อย่างไรกับสิ่งที่หมุนติ้วอยู่ด้วยความอนิจจังทุกขังธาตุเช่นนี้ เหมือนฟุตบอลปิ้งไปปิ้งมาอยู่ด้วยความแปรสภาพหาความยั่งยืนหรือหาความแน่นนอนของใจได้อย่างไรพิสูจน์เข้าไปด้วยสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาให้เห็นมันออกมาจากไหนทุกแวทนาทางกายอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กาย สุขเกิดขึ้นก็ไม่ไม่ใช่มันเป็นเมตนาเหมือนกันอุเบกขาเกิดขึ้นภาณิกาก็ไม่ใช่กายมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปทั้งๆ ท, ที่ร่างกายยังไม่ดับสิ่งเหล่า น, นี้มีการเกิดดับอยู่เสมอเช่นนั่งงานก็เกิดพอเปลี่ยนยาบทมันก็หายนี่คือความเกิดความดับของมันมีพูดถึงเวตนาทางกาย เมื่อพูดถึงเวทนาทางกายแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเข้าสู่เวทนาทางกิตเพราะจิตมีความกระเพื่อมตัวออกมาสําคัญมั่นหมายในสิ่งใดที่ขัดกับความต้องการของตนมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถูกกับความต้องการของตนก็แสดงความลื่นเลึงอันเป็นความลืมเนื้อลืมตัวอยู่ภ า, ายในจิตออกมามันไม่ใช่ของดีมันเป็นของจองปรรมปลอมด้วยกันทั้งสองอย่างนี้ นี่ถ้าปัญญาพิจารณาลงไปแล้วจะเห็นความจอมปลอมมันมีอยู่รอบจิตไม่ว่าจะเกิดทางสัญญาไม่ว่าจะเกิดทางเวทนาเกิดทางสังขารเกิดทางวิญญาณมันด้นแ้วตั้งแต่ของจอมปลอมทางนั้นเพราะเจ้าจอมปลอมเป็นผู้ผิดขึ้นมาให้หยึดให้ถือให้สําคัญมั่นหมายพติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปให้เห็นตามหลักความจริงอันนี้สิ่งอันนี้จะแจ้งชัดขึ้นภายในปัญญาของผู้ปฏิบัติมันเลย เมื่อแจ้งชัดตรงไหนแล้วประจําเป็นอะไรจะต้องไปดูอีกคําว่าแจ้งชัดเต็มที่แล้วนั้นจะหาอะไรมาแทรกอีกได้อย่างไรเพราะเต็มที่แล้วในขั้นนี้เต็มที่แล้วในขั้นนี้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเข้าไปดูดําดับทีนี้นเราจะหาบุญหาบาปที่ไหนที่นี่เมื่อไล่กันเข้าไปตะล่อมมันเข้าไปกิเลส ทั้งมวลที่จับจองตัวของเรานี่ให้หนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกได้ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญาเป็นสำคัญขาดว่าขาดตอนไปเป็นขั้นๆตอนตอนรู้ชัดประจับใจจนกระทั่งรวมตัวเข้าไปสู่จิตอันเป็นเชื้อเดิมฝังอยู่ภายในจิตนั้น <c oughs> เนื้อกระจายกำกุงนั้นอีกเพราะเป็นอิเลสประเภทเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าจอมกษัตริย์มันอยู่ตรงนั้นจอมกษัตริย์มารดจักรรวมตัวเข้าไปอยู่นั้นถูกตัดสะพานเครื่องเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกหมดแล้วและเครื่องเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับขันตั้งห้า น, นี้ก็ตัดเข้าไปหมดเหลือตั้งแต่ธรรมชาติของมันก็ไม่พ้นสติปัญญาเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติเป็นอย่างนั้นเป็นกิเลส จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเนี่มันหุ้มห่อเขาไปตรงนั้นเมื่อได้แยกแยะเห็นตามความจริงของมันแล้วย่อมกระจายศูนย์หายไปได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่ไม่มีเหลือนั่นแหละที่ท่านว่าท่านทำลายภพชาติภพชาติอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามาหาสมุทรที่ไหนการ ตายเกิดตายสูญหาที่ไหนไม่เจอดูที่ตรงไหนถึงจะเจอมันอยู่ที่จิตนี้เท่านั้นตายเกิดก็คือเชื้ออวิชาพาให้เกิดคําว่าตายสูญก็คือเชื้ออวิชาหลอกสูญได้ที่ไหนคําว่าสูญคือความจอมปลอมของอวิชาหลอกสัตว์โลก เมื่อความจริงเต็มภูมิภาณในใจแล้วจะทราบไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าจะมีกี่พระองค์ประทับอยู่ตรงหน้านี่ก็าตามพูดแล้วสาธุมาได้ประมาทเพราะสันทิฏิโกรพระองค์ไม่ทรงผูกขาดแม้แต่พระองค์เดียวไม่ว่าศาสตาองค์ใดสอนธรรมแบบเดียวกันเพื่อสันทิฏิโกแบบเดียวกันรู้จริงเห็นจริงภาณ ใ, นในจิจนี้นี้แหละการรื้อพบรื้อชาต ด้วยงานอันสําคัญพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านตักตัวกรรมผลนิพานข้ามโลกธรรมสารไปอย่างอัศจรรย์ทั้งๆ ท, ที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านทําไมกลายเป็นผู้วิเศษวิโสได้กราบไหว้ท่านพวกเราเป็นยังไงท่านดําเนินงานอย่างไรงานชนิดใดที่ท่านทรงบําเพ็ญและบําเพ็ญบรรดาสาวกทั้งหลายจึงได้เป็นอย่างนั้น แล้วงานนั้นก็มอบไว้แล้วกับพวกเราทั้งหลายคืองานจิตตะตนาอันเป็นงานสำคัญที่จะรื้อพบรู้ชาติให้เห็นกระจ่างแจ้งภาณนจิตของตนเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่ได้นอกเหนือหรือยิ่งหย่อนกว่ากันเลยการสถานที่ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่เครื่องจีดขวางกิเลสภายในจิตใจต่างหากจีดขวางมรรคผลนิพพานจีดขวางทางเดินของเรา ที่จะก้าวไปเพื่อมหาผลนิพพานอย่าเข้าใจว่าการสถานที่อื่นใดบุคคลใดเรื่องใดซึ่งอยู่ภายนอกจะมาทำการกีดขวางถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายแล้วกว้านเขามากีดขวางตัวเองเท่านั้นนี่แหละการโน้นการนี้จริงเสมอภาคกันเิเลยเป็นประเภทเดียวกันทำเครื่อง ธรรมะหรือเครื่องปราบกรามกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันคงเส้นคงวาคือมัชชีมาปฏิปทาไม่มีคำว่ายิ่งไม่มีคำว่าหย่อนไม่มีคำว่ากเกินไปเกินไปมีแต่ความเหมาะสมเท่านั้นไม่ว่าจะนํามาปราบกิเลส ป, ประเภทใดทำเหล่านั้นเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันแต่แตกต่างกันอย่างไรกับข้างพุทธการเพราะกิเลสก็มีประเภทเดียวกันทำเครื่องปราบกิเลสก็มีประเภทเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องปราบได้สิ้นสุดแห่งทุกข์กิเลสคิหายไปได้ด้วยธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้ปราบกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เราเองโกงเงินข้ามอย่าให้กิเลสมันปราบเราหนาทุกวันทุกอิริยาบถส่วนมากมีแต่กิเลสปราบเร า, าโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกหนรอบอวัยวะสกุลกาย ขันตั้งห้าตลอดถึงจิตเต็มไปด้วยกิเลสเที่ย จ, จับจองไว้หมดทั้งรังเพราะนั้นจึงต้องคุ้ยเกี่ยขุดคน้นหาอัตหาธรรมเข้ามาเป็นเครื่องต้านทานต่อสู้กันจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นความแพ้ความชนะกาันจึงเรียกว่านักต่อสู้ถ้าลงได้ต่อสู้แล้วต้องมีคําว่าแพ้มาชนะจึงได้และต่อไปก็มีคําว่าชนะชนะได้ชัยชนะอย่างสุดยอด จีเรบหลุดลอยไปจากใจตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมีคำว่าการเข้ามาแทรกสิงจิตใจอีกแล้วสถานที่ไม่มีอาการิีอาการิโกคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่การอาการิกจิตอาการิกับธรรมดูที่ใจตรงเดียวนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เห็นตถาคตเห็นที่ตรงนี้ไม่ถามใครให้เสียเว ล, เวลาถามทำไมความจริง เป็นอย่างเดียวกันถามท่านก็ถามเราเ ส, สียสิเพราความจริงอันนี้กับความจริงอันนั้นเป็นอันเดียวกันเหมือนกันคำที่ชาตแจกก็เหมือนก็เหมือนกันถ้าไม่เหมือนก็อันเดียวกันเสียจิตเป็นธรรมธรรเป็นจิตเวลามีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระหระหัสรหัสพ้นจากโรกแล้วเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ถูกอืเรียกว่าจิตก็ถูกพอพ่านจากขันธ์นี้ไปแล้วไม่มีคำว่าจิตถ้าจะเรียกก็ว่าธรรมล้วน ทำกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วละวิมุตติธรรมเมื่อถึงขั้นวิมุตติธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นก็เสือดเลิอดเลอะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนสามแดนโล ก, กฐานนี้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เด่นในทรากลางแห่งสมมุติทั้งหลายที่เราเคยจงอยู่ในนี้มาเป็นเวลานาน ได้เหนือแล้วด้วยความมือสุดไม่ใช่เหนือนีไปนอกเมฆนอกหมอกไปอยู่อาวากาศที่ไหนเหนืออยู่ตรงที่พ้นแนวนี้ถ้าจะแยกก<า>็แยกมาที่นี่เหมือนอย่างขันกับจิตนี่แต่ก่อนขันกับจิตอยู่ด้วยกันยึดถือกันหลงกันวุ่นกันพอรูปรอบขอบคิดหมดแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแม้อยู่ด้วยกันก็พ้นอยู่ในขันก็พ้นขัน อยู่ในขันก็สูงกว่าขันขันนี้ไม่สามารถจะเหยียบย่าทำลายจิตที่บริสุทธินั้นได้แล้วเพราะขันอยู่ในฐานะแห่งความเป็นสมมุติจิตตวิสุธินั้นอยู่ในฐานะแห่งความเป็นยมุติจิตอยู่ด้วยกันก็กระทบกระเทือนกันไม่ได้หรือจะทำทำลายจิตไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงกล้าพูดและเชื่อในประวัติ ท่านอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงไว้เราเขียนประวัติท่านว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสาวกบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์ท่านนั่งนิพพานบางองค์ท่านนอนนิพพานตามความถนัดของท่านในวาระสุดท้ายแต่ละองค์ละองค์เพราะเห็นไหลเพราะจิตเป็นวิสุทธิจิตแล้ว ท่านจะปล่อยขันในวาระสุดท้ายถานัดตามอัธยาศัยของท่านอย่างไรท่านก็ทาได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ขันอันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายวิสุทธิจิตของท่านนั้นให้เอเดียงแม้แต่น้อยได้เลยขันก็เช่นอย่งเวทนาขันคนจะตายต้องมีทุกข์มากท <c oughs> ุกข์มากก็มากอยู่ในขันไม่ได้มากอยู่ในจิต ถ้าหันไม่ท่านไม่มีเวทนาเอาเวทนาที่ไหนมาเป็นทุกข์เรื่องเวทนาอยู่ในสมมุตินี่ต่างหาวิสุทธิจิตนอกสมมุติไปแล้วเวทนาซึ่งเป็นสมมุติเข้าไปถึงได้อย่างไรนี่แหละหลักยืนยันยืนยันอยู่ที่จิตไม่ได้ยืนยันอยู่ที่อื่นอ้าวแต่ก่อนจิตเป็นยังไงเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายจิตใจ กวนกวายหรือละสัมละสายไหมไม่ต้องบอกอเลยกลายเป็นจิตตเวทนาขึ้นมาอีกทุกเวทนาภายในจิตอีกทีหนึง่งจากสาเหตุแห่งร่างกายเป็นทุกข์เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์กวนกวายไปด้วยอืมไเวลาแยกกันเต้นสัดเต้นส่วนไม่ค้าคราวกันแล้วทั้งๆั้งที่อยู่ด้วยกันย่อมทราบได้ทราบได้ชัดว่านั่นคือทุกขเวทนาภายในร่างกายเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้น รู้เวทนาในจิตไม่มีมีได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานนะที่จะนับเวทนาไว้ในจิตที่บริสุทธินั้นได้นั่นเป็นหลักธรรมชาตินีเอาให้รู้สินักปฏิบัติงานนี้เป็นงานอย่างเองกหนักก็หนักเถอะหนักเพื่อพ้นภพพ้นชาติพ้นแหล่งแห่งมตรคสงสารอันเต็มไปด้วยกองทุกข์ทรมานทั้งหลาย เราเคยเกิดเคยตายมาแล้วไม่ควรสงสัยจิต ด, ดวงนี้แหละตัวที่ถูกหมอบราบจากกิเลสให้พาขยี้ขยตำตําให้แหลกอยู่ตลอดมาด้วยความทุกข์ความทรมานแต่ไม่คิดหายคือจิจดวงนี้เอาก็ะจายออกสิ่งใดที่เป็นข้าศิกต่อจิตใจเอาให้หมดสิ้นไปแล้วแดนแห่งความประเสริฐเราไม่ต้องถามใครแหละจะรู้ตรงนั้นที่ไม่ประเสริฐก็เพราะ เรื่องของความเร็วสามเรื่องของความโรคกรุงรังเรื่องของสิ่งทรมานได้เกิดขีดเดียทั้งหลายมันเข้าเหยียบย่ำทําลายอยู่ในภายใจิตใจหุ้มห่อจิตใจดวงประเสีิดจนกลายเป็นของเรวต่ำช้าเร็วสามไปตามมันเสียแล้วก็ดิ้นไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวนี่เวลากําจัดกันออกได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ว อันใดจะเหมือนจิตนี้ล่ะในโลกนี้ไม่มีอันใดเหมือนไม่เหมือนกับอันใดคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เห็นอยู่ในระหว่างแห่งขันนี่แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนความบริสุทธิ์ความบริสริ์อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนมเวลาขันสลายลงไปแล้วไม่ต้องพูดตัด้งแต่ขนาดนี้ก็ไม่สงสัยแล้วตายแล้วไปสงสัยหาอะไรนี่งานหนักขนาดไหน เวลาผลที่ได้ก็เป็นที่พึงพอใจตลอดอนันตการอีกด้วยไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังนัตตาจะตามต้อนตามตื้อได้อีกเหมือนแต่ก่อนเหยียบย่ำทำลายเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เป็นอิสระนักเท่าไรก็เอาถ้าเราเล็งดูเหตุผลแห่งความ <c oughs> วิเศษของจิต ความพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลแล้วความเพียนเท่าไรเราทุ่มได้ทั้งนั้นผู้มีเหตุผลแล้วต้องทุ่มกันลงได้นอกจากให้กิเลสเป็นตัวเหตุผลเสียอย่างเดียวจะไม่มีเวลาทําอะไรได้เลยเดินจงกลมชั่วขณะก็จะตายบังคับจิตใจเล็กๆน้อยๆพอกิเลสมันตื่นนอนเท่านั้นก็หงายไปแล้ว นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่แทรกอยู่ในวงงานแห่งความเพียนของพวกเราแต่เราไม่ทราบขอให้ทราบมันโดยลําดับตั้งแต่บัดนี้ไปเราเดินจงกลมอยากเข้าใจว่าเราทําความเพียนโดยทายีวกิเลสทํางานอยู่กับทางจงกลมอยู่กับกิริยาแห่งการทําความเปลี่ยนของเราทุกอิยาบทเราไม่ทราบมันได้เพราะวิเแววแห่งความฉลาด สติปัญญาของเราไม่เพียงพอที่จะทราบมันได้ต่อเมื่อทำเหล่านี้ฉายแสงออกมาเราจะทราบทราบไปทุกระยะระยะจนกระทั่งปราบให้เรียบวุดพันในจิตใจเอาวที่นี่กิเลสมันออกจากจิตใจเราแล้ ว, ลวมันอยู่ในใจของสัตว์โลกอยู่ในเกาะใจของสัตว์ของบุคคลใดก็ตางแสดงออกมาอะไรรู้หมดหเปิดไม่อยู่ที่นี่ าหัวใจเราไม่มีมันอยู่กับหัวใจใดมันแสดงออกมาในกิริยาท่าทางไหนเป็นยี่เด็กประเภทใดรู้หมดพาอเรียนมันจบแล้วทำไมจะไม่รู้มันไปถามที่ไหนเพราะมันเคยกองอยู่พาะในใจเราแล้วถูกกาจัดมันให้าราบเรียไปจากนี้แล้วทำไมจะไม่รู้นั่นเมื่อกาลังพอกันแล้วความสามารถพอกันแล้วไม่ต้องไปถามใครผู้ทั้งนั้น พากันประพฤติปฏิบัติอย่าลืมเนื้อลืมตัวไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ในโลกทั้งสามนี้นอกจากธทรรมเท่านั้นทรรมนี่แน่นอนเป็นที่อุ่นเป็นที่เย็นใจตั้งแต่เริ่มแรกได้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบเย็นใจนี่ลสารณะของใจคือทรรมไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นสารณะของใจได้มัตถกเป็นมัตถุ น้ำเป็นน้ำดินเป็นดินลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่มีใครเอามันไปได้เกิดก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มาผสมผสมกันแล้วก็บปยึตครองว่าเป็นเราเป็นของเราไปชั่วระยะการเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีใครแบกหามหรือยกยอไปได้ติดตัวไปได้เราอย่าสงสัยสิ่งเหล่านี้จิตใจคิดไปในแง่ใดในเรื่องของสมุิให้พึงทราบว่าเป็นแง่ที่เป็นตาข่ายที่เคยครอบหัวเรามาแล้วเป็นเวลานาน อย่าเสียดายความคิดทั้งหลายอย่าเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายวัตจกักรทําให้เพียรนายธรรมาจาักรนั้นสําคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยเคยผ่านมาแล้วยังเสียดายมันไม่ถอยยิเรศไม่เคยอิ่มพอกับความคิดนึกปรุงแต่งใดใดทั้งสิ้นไม่เคยอิ่มพอกับความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาไม่เคยอิ่มพอให้ทราบเสียว่ามีไม่มีความคําว่าเมืองอิ่มพออยู่กับยิเลศนอกจากธรรมเท่านั้น ทำนี่เมื่อเข้ามากได้มากเข้าอะไรแล้วก็มีความสุขความเอิบอิ่มเข้าไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวแล้วอิม่มเต็มตัว น, นั่งฟังไปนิเรศพาคนให้อิ่มที่ไหนทำพาผู้เข้าถึงเต็มภูมิแล้วอิม่มเต็มที่อิม่มเต็มภูมิไม่มีเวลาบกพางตลอดการไหนๆเอาความเพียรเราที่ทุ่มลงไปเด้อ ความเสียสละเป็นตายนี้ทำไมจะไม่คุ้มค่ากันกับธรรมเหล่านั้นเล่าธรรมเหล่านั้นทำไมจะไม่คุ้มค่ากับความเปลี่ยนของเหาเล่าเราเสียดายอะไรเรื่องความทุกข์ความลาบากซึ่งเคยเป็นมาแล้วอันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็ยอมทุกมีอยู่มากมายนี่เกิดประโยชน์จากความทุกข์ประเภทนี้ทำไมเราไม่กล้าเสียสละเราเป็นลูกศิษยธธ์าศกุเพรองค์นในองค์ปัจจุบันของเรานี้ซึ่งแสนสาหัส เราเป็นลูกจิตของพระองค์เราต้องเดินตามครูอย่าเดินตามกิเลสเดินตามกิเลสนี้เดินมานานแล้วเป็นนักโทษให้มันเหยียบย่าทำลายบังคับขู่เข็นมากี่กับกี่กันพบใดชาติใดมีแต่เป็นนักโทษของกิเลสทั้งนั้นนอกจากพ้นไปเสียจากพบจากชาติแล้วกิเลสจะเ ป, เป็นนายเราไม่ได้อีกต่อไปเอาให้กิงให้จังนักปฏิบัติไม่เห็นแดนใดที่จะเป็นที่แน่ใจ นอกจากแดนแห่งธรรมนี่แหละสาระของใจคู่ควรของใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งของใจก็คือธรรมสร้างกุศ ล, ลธรรมคือความลาดให้พอบุญบุญคำว่าความสุขความสบายภายในจิตใจ น, นี้จะเป็นตัวของตัวเองไม่มีการที่มาแล้วหายไป ได้มาแล้วเสียไปศูนย์ไปดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าประมังสุขขังนิพพานังประมังสุขขังหมายถึงอะไรก็หมายถึงจิตที่เป็นความสุขในหลักธรรมชาติของตนโดยถ่าเดียวเท่านั้นไม่ต้องอาศัยอันใดเข้ามาเกี่ยวปนด้วยเหตุ น, นี้สุขนี้จึงไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของธรรมของจิตที่บริสุทธิ์เตงเท่านั้นสุขอื่นจะให้เหมือนนี้ไม่ได้สุขนี้จะให้เหมือนใครก็ไม่ได้ สุกนี้ใช่เป็นเวทนาก็ไม่ได้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุกในหลักธรรมี่จะหน่อยก็ติดติดสุขอันนี้เสียเริ่มสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราจะพึงได้พึงถึงนั่นเสียนี่มาพากันพินิจพิจรารณาการปฏิบัติตัวของเรานี้ด้วยงานที่กล่าวมานี้แหละเป็นงานที่แน่ใจเป็นผลที่ พึงใจที่จะต้องได้รับโดยไม่ต้องสงสัยอาบังคับการบังคับคือการต่อสู้กับกิเลสการบังคับตัวเองฝึกฝนทรมานตนเองนั้นได้แก่การต่อสู้กับได้แก่การต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การเป็นการทําลายตนเองให้ชิบหายป่นปี้แต่เป็นการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกของเราหรือเป็นค่าศึกของใจเราให้หมดสิ้นไปโดยลําดับจนราบเรียกไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการสถานที่ไม่มีอืมแม้ขันมีอยู่ก็ไม่เป็นทุกทุกกระทุกอยู่ในขันก็รู้มันอยู่แล้วว่ามันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างตื่นเต้นมันอะไรโศกเศร้างงหัวกับมันไปทําไมอืมมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเยียวยารักษากันไปตามการตามเวลาตามกําลังของธาตุของขันที่มันจะพอเป็นไปได้อ่เมื่อมันถึงการแล้วมัน ทนไม่ไหวแล้วปล่อยทิ้งสลัดลงไปเลยอ น, นาลาโยหาความเสียดาไม่ได้แล้วอเพราะก่อนที่ยังไม่ตายก็หมดความอะไรอยู่แล้วด้วยความยึดถือนั้นไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบโดยตัวเดียวกับสรรพาธิยานที่เคยเป็นความรับผิดชอบตัวเองแต่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบด้วยการยึดมั่นถือมั่นถึงการแล้วปล่อยหายกังวลจะถี มันว่าเสียทีเลยหากระวนไปเลยฮาราฮเวมันจากขั้นถา่ามันหนักยิ่งกว่าภูเขาตั้งลูกภูเขาเนี่ยเราไม่ได้ไปแบก เ, เอาอะไรมาหนักอันนี้มันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกนั่งแบกยืนแบกเดินแบกนอนไม่มีเวลาตรงกันได้เลยหนักอยู่ด้วยเอียบด ต, ต่างๆนั่นแหละจนกระทั่งมันหมดไปเสีย ต่อยทิ้งเสียแล้วก็หมดภาระอเรื่องเศษของสมมุติก็มาจุดเป็นจุดจุดท้ายคือขันสลายตัวลงไปนีเศษแห่งสมมตุติมันติดอยู่ในขันขันก็ปิดมันอยู่ด้วยกันจึงเรียกว่าเศษแห่งสมมตุตดทำไมจึงว่าเศษแห่งส ม, มุติก็มายึดถือมันนี่นาอาศัยกันอยู่จะทําไงปฏิบัติรักษากันไปพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ า, าย ช้าล้างกันไปอย่างนั้นจนถึงว่าราสุดท้าก็ปล่อยไปไม่รอดแล้วก็อยู่เสียอืสมบัติของดินเป็นดินเป็นของน้ําเป็นน้ําของลมของลมเป็นลมของไฟเป็นไฟสมบัติที่บริสุทธิ์แท้เป็นของเราไม่ต้องแบกบอันนี้ไม่เหมือนพระราหวเีเ่ะแบกพระยาคลำหมากอะไรดูตัวของเรานั่นแหละ ตัวก็คือหมดทั้งร่างกายความเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวออกมาทางวาจาซ้อมมาจากใจใจมีสติปัญญารักษาตัวมากน้อยอย่างไรดูตรงนั้นเป็น้งกันหูมาปฏิบัติสำเนียกศึกษาให้ถึงใจทำอะไรให้มีความจงใจอย่าทำละเหล่แหล ะ, ล ะ, ละสักแต่ว่าทำใช่ไม่ได้ไม่ใช่ทางของนัก บ, บวชไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า ไม่จะทางเห็นธรรมที่ท่านสอนไว้มีความจริงจังทุกอย่างทั้งการละทั้งการมาเป็นหน้าที่การงานกิจวัตรต่างๆให้ถือว่าเป็นสมบัติของตนทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าผู้นั้นทําแล้วจะแล้วเราผู้นั้นทําแล้วเป็นของผู้นั้นเราโง่เร า, าก็ไม่ได้อะไรโง่ต่อคาวัดปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมแล้วยังไม่แล้วยังมาโง่ต่อความเปลี่ยนของตนอีกถ้าคนเคยโง่ต้องโง่ไปเรื่อยคนเคยเสียเปรียบต้องเสียไปเรืย ไม่ว่าจะเสียเปรียบทตามข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ได้ไม่ทันเขาพูดง่ายยังมาเสียเปรียบพานา จ, จิตใจของตนอีกนี่ไม่ใช่ของดีคนที่ได้มักได้ผลอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมเสียเปรียกยิ่งเล็แล้วไม่ว่าข้างนอกข้างใน ย, ย่อมสมบูรณ์เต็มภูมิเช่นเดียวกันมีความคล่องแคล่วกล้า ว, ว่องไวทั้งภายนอกภายในทันเหตุทันการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นชื่อว่าสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องจะปราบยิ่เล็ดพานาจิตใจของตน ราบเรียบลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นให้พากันตั้งอกตั้งใจผู้มาใหม่มากก่าวผมยังไม่ได้พิจิตใช้ค่ควรว่าจะให้อยู่ให้ไปเปลี่ยนไปเพียงว่าให้อยู่ด้วยเพื่อการอบรมพราเห็นใจที่มาจากที่ทตา่างๆมากบ้างก็ทนเอาในสลักลงพันธกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีอะไรจะ เลิศยิ่งกว่าใจเอาให้ได้ใจเวลานี้ถูกกิเลสมันถือกรรมสิทธิ์เหยียบย่ําทําลายอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่เพียงถือกรรมสิทธิ์เฉยทีนี้ถ้าเป็นสิ่งที่จิบหายแล้วเลยผุ๋ยผงไปอีกกี่ร้อยกี่พันเลยก็ไม่แต่นี้มันก็ทนทานถูกเหยียบย่ําทําลายแทนที่จะชิบหายก็ไม่ชิบหายแต่ทนกับทนทุกข์เอาทีนี้เอาทุกข์ด้วยความเพียรแทนทุกข์ด้วยกิเลสเหยียบย่ําเหล่านั้น ทุกข์ด้วยความเพียงคือการต่อสู้อ่ะทุกข์คาดขนาดไหนคราวนี้เอาทุกแบบนี้ทาได้เห็นเรื่องของกิเลสทังทลายลงไปจากกีกยาได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงในยิสัพกิจคุณของพระพุทธเจ้าพระสงค์สาวกของครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสอยู่ที่นั่นที่นี่ประเสริฐเลิศเลยเราเองจมอยู่ในปรักคือกองกิเลสเต็มไปด้วยความขี้เกียจที้ข้านมันเข้ากันได้อย่างไรทำ ไ, ได้ยินข่าวแล้วสิด้วย ทั้งเหตุคือการประพฤติปฏิบัติคําจัดที่เดียกเอาจริงเอาจังสมกับจุวร น, นักต่อสู้ไม่มีใครที่จะกดทนมีความภาพเพียรมีความเพร์ควรพินิจพิจารณายิ่งกว่านักบวชเพราะนักบวชนี้สอนตนแล้วจึงไปสอนคนอื่นดังศาสดาของเราเราทําอะไรไม่ได้ไปสอนก่นคนอื่นให้เป็นประโยชน์อะไรจะเอาความเฉลียวขนาดไปอะไรไปรสอนเขาเพราะให้ถึงใจถ้าไม่ถึงใจเราก่อนแล้วไปสอนอื่นก็ไม่ถึง ถ, ถึงใจแล้วแล้วเอาความถึงใจนี้ออกสอนทำไมจะไม่ถึงวะทาเป็นของจริงรุวนรนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้สึกเหนื่อยอพอสมควร